ขออนอบน้อมพระตนัดไทยขออากาศประจรย์เภสารพระเทระเทราทุกรูปจลอดจนเพื่อนธใหมทุกท่านเจริญในธรรมแม่ชีและก็ญาติธรรมทุกคนก็นั่งฟังตามสบายเนาะทำใจให้สบายสบายนะเปิดใจให้โลง่งๆอย่าได้ให้ความคิดนึกปรุงแต่งหรือว่าความกังวล หรือว่าควาความ่วงเอวเอนอนมาเป็นเมฆหมอกในการปกคุมจิตใจของเราให้ให้เศ้าหมองนะทำใจคล้ายๆกับพระจันทร์ในวันเพ็ญนะหรือทำใจคล้ายๆกับพระอาทิตย์นะในตอนกลางวันนะที่สามารถเรียกว่าเป่งแสงได้อย่างเต็มที่นะจิตแบบนี้มันจึงจะเรียกว่าสามารถรับพระรรมได้เต็มที่นะ ทำใจโล่โงแต่ไม่ใช่โล่งงแบ บ, บว่างๆนอะไม่ใช่แบบพยายามจะทําให้มันว่างตลอดแม้มันมีความคิดมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันนะให้รู้ทันมันมีมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องเล่าที่มีการเล่ากันต่อกันมาหลาย หลข้างไหยคาหรือว่าหลายวาระก็ดีมันเป็นเรื่องของชาวประมงนะกับเรียกว่ากับอาจารย์ที่สอน M B A ก็คือสอนการบริหารธุรกิจนะมันมีอาจารย์ที่เขาสอน M B A เนาะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาบริษัทธุรกิจที่ที่ใหญ่ๆนะอยู่คนหนึ่งเขาก็ ลาพักร้อนไปพักผ่อนที่ชายหาดแห่งหนึ่งนะเขาก็สังเกตเห็นชาวประมงที่ยังอายุไม่มากยังเป็นหนุ่มๆอยู่คนนึงก็ออกหาเรือหาปลาตั้งแต่เช้าตู่สายๆก็กลับขึ้นมาที่ฝั่งได้ปลามาพอสมควรก็เอาให้ภรรยาเอาไปขายนะก็ขายได้เงินได้ทองพอสมควรนะแล้วเขาก็พักผ่อนที่ดิม ที่ดิมฟังตอนนั้นแหละนะก็นอนเล่นนะหรือบางทีก็เดินเล่นนะแล้วก็กลับไปอยู่ที่บ้านนะไปคุยกับชาวบ้านนะหรือว่าไปเล่นกับลูกนะหรือว่าทํางานบ้านนิดๆหน่อยๆไปนะทุกๆวันเขาก็ทํากิจวัตรเช่นเนี้ตอนเช้าตู่ออกไปหาปลาตั้งแต่เช้าสายๆก็กลับมา ได้ปลามากินบ้างได้ปลามาขายบ้างแล้วก็มีชีวิตสบายๆอยู่กับครอบครัวนักอาจารย์ที่สอนบริหารธุรกิจนะเขาก็สังเกตเห็นชายคนนี้ก็มีชีวิตแบบนี้ก็โดยความหวังดีก็เลยอยากจะแนะนำชายหนุ่มคนนี้ให้ให้เรียกว่ามีความสาเร็จนะกับอาชีพของเขาให้มากขึ้น ก็เลยเข้าไปคุยนะไปคุยไปสอนนะชายหนุ่มคนนี้ว่าทําไมเธอหาปลาตั้งแต่เช้าละเธอทําไมหาปลาแค่รอบเดียวละ่ะนะทำไมพอหาปลาได้ขายรอบนึงแล้วทําไมไม่กลับออกไปที่ท้องทะเลอีกนะไปหาปลาให้มาขายให้ได้เยอะกว่านี้นะวันละสองรอบสามรอบจนทั้งค่ำนั่นแหละนะจะได้กี่รอบก็หาให้ได้มากที่สุดท่าจะทําได้ ก็แนะก็แนะนํนานนนไปเพราะว่าถ้าเธอหาปลาให้มาได้มากกว่านี้เธอก็จะขายปลาได้มากกว่านี้เธอก็จะรวยขึ้นมีเงินมากขึ้นหลังจากนั้นเรือเล็กๆของเธอเนี่ยเธอก็ขยายเป็นเรือที่ใหญ่ขึ้นนะจะได้ออกทะเลที่กว้างขึ้นไกลขึ้นเนาะก็จะได้มีเครื่องมือที่ใหญ่ขึ้นก็หาปลาได้มากขึ้นะ จากมีเรือนหนึ่งลำเธอก็มีสองลำสามลํานะจากแต่ก่อนต้องหาเองต่อไปก็ต้องก็จ้างลูกน้องให้มาช่วยหาธุรกิจหาปลาของเธอก็จะเรียกว่าขยายใหญ่ขึ้นนะหลังจากนั้นทําอะไรล่ะเมื่อเธอมีธุรกิจใหญ่ขึ้นเธอก็ไปสร้างบ้านหลังโตๆอยู่ในเมืองก็ได้นะหรือเธออาจจะเปิดเป็นบริษัท นะมีหุ้นส่วนเข้ามาร่วมลงทุนสามารถขายหุ้นกิจการหาปลาของเธอก็ไดนะ้กิจการประมงตัวนี้ก็ได้หลังจากนั้นเมื่อเธอมีกิจการที่มั่นคงตั้มรวยมากขึ้นครั้นเนี้ยเธอไม่ต้องหาปลาแล้วก็ได้เธอก็สามารถมานอนเล่นอยู่ชายหาดนะ่ะนอนสบายๆอยู่กับลูกกับเมียหรือว่าอ่านะ นั่งเล่นนอนเล่นก็ได้เห็นไหมชีวิตแบบเนี้ยมันดีกว่ามีความสุขดีนะชัยประมงที่หาปลาพอได้ฟังเนีก้ก็ในขณะที่อาจารย์นะที่สอนบริหารธุรกิจพูดไปเขาก็ฟังด้วยความสงบฟังด้วยดีนะแต่พอพูดจบนะนะเขาก็แค่ถามว่าอา้าวก็ตอนนี้ผมก็นั่งเล่นนอนเล่นอยู่แล้วนี่ ทำไมผมต้องไปเหนื่อยขยายธุรกิจนะหรือว่าต้องมีบ้านโตๆ ต, ต, ต้องขายหุ้นก่อนค่อยไปนั่งเล่นนอนเล่นนอกจาถ้าเราสังเกตดีมันกเน็เป็นวิธีคิดของของคนสองคนหรือถ้าจะว่าจริงๆอาจจะเป็นวิธีคิดของคนสองกลุ่มก็ได้นะคงไม่ใช่มีเพียงแคอ่อาจารย์ที่เป็นผู้บริหารธุรกิจนะ อาจารย์ที่สอนบริหารธุรกิจท่านี้เพียงแค่คนเดียวหรอกที่คิดเช่นนี้คนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็มักจะคิดเช่นนี้ใช่ไหมคิดว่าเราต้องหาเงินหาทองหรือว่าหาความมั่นคงนะในอาชีพการงานต่างๆให้มากๆหลังจากนั้นเราพอมีเงินเก็บมากๆนะหรือว่าธุรกิจการงานเรามั่นคงเราค่อยหาเวลาไปเที่ยวหาเวลาไปพักผ่อนหรือค่อยพักจากงานบ้าง มามีเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกนะหรือว่าทำอะไรที่เรียกว่าจิตใจสบายสบายแบบนี้เนาะแต่หลายคนเนาะในโลกนี้ก็มักจะคิดเช่นนั้นเหมือนกับต้องหาให้มันได้มากมากก่อนแล้วค่อยพักนะแต่ก็มีคนคล้ายๆเหมือนชาวประมงเนาะนะนะก็คือว่าหามาได้เพียงแค่พอประมาณพอได้กินพอได้ใช้ หือว่าพอแค่ได้จับใจซื้อของนะแล้วก็วันเวลาที่เหลือก็พักผ่อนมีความสุขกับครอบครัวนะมันก็มีคนอยู่สองกลุ่มเช่นนี้อยู่บนโลกนี้นะเราก็ต้องตรวจสอบตัวของเราเองหรือว่าเอ้ยเราเป็นคนเช่นไหนตอนที่เราอยู่กับทางโลกนะเราคล้ายๆ ค, คนเช่นใดนะแต่ที่จริงจะว่าไปมันก็ไม่ใช่ผิดแค่ว่าคนที่อยู่ทางโลกนะหมายถึงว่า ตอนทําอาชีพการงานนะหรือว่าตอนมีครอบครัวจะมีชีวิตอยู่เช่นนี้นะมันก็เป็นวิธีคิดอยู่สอ ง, สองชุดนะสองความคิดนะ ท, ที่คู่ขนานไปกับโลกแบบนี้นะแต่เชอว่าไปจริงๆแม้แต่วิธีคิดภายใ น, ในวัดเราก็ดีเนาะหรือว่าพอเรามาบวชหรือว่าพอเรามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่บางทีก็ต้องตรวจสอบโดยดีดนะตรวจสอบโดยดีด บางทีมันก็คิดว่าบางคนก็คิดว่าการมาบวชมาอยู่บ้านอนะ่ะมันก็ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตของชาวประมงน ะ, ะหากินนิดหน่อยเช่นที่จริงชาวประมงนะเขาไปหาออกท้องทะเลไปหาปลาแต่พระเรานะหรือว่าญาติโยมก็ดีนะออกไปหาบินธบาตออกไปหาตักอาหารที่สาดานหน้านะกลับมาที่กลับมาทานนะ หรือว่ามีปัจจัยสี่ที่พอสมควรแก่การใช้แล้วบรรเวลาที่เหลือก็ทำอะไรล่ ะ, ะสามารถมีความสุขมีความสบายในการอยู่วัดในการปฏิบททัติธรรมเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันนะแต่กระผมหรือว่าอจตมาคิดว่าบางทีเราก็สามารถทำได้มากกว่า น, นั้นนก็คือว่าบรรเวลาที่ที่เราว่างจากการ หาเครื่องอยู่ในปใจัจจัยสี่เราก็ยังสามารถที่จะหาเวลาตรงนั้นอนะเวลาว่างนะมาการพัฒนาจิตก็ได้นะเพราะว่าบางทีการมีชีวิตแค่เพียงว่าอยู่ให้มีความสุขในแต่ละวันนะมันก็เป็นความประมาทอย่างหนึ่งของชีวิตถ้าเราจะสังเกตดูดีดนะอย่างวิถีชีวิตของ นักธุรกิจหรือว่าคนที่สแสวงหาความสุขทางโลกมากๆนะหาความมั่นคงทางภายนอกมากๆนะวิถีชีวิตเช่นนั้นเขาไม่สามารถพบความสุขได้ที่ปัจจุบันนะเขาคิดว่าความสุขต้องอยู่ที่ว่าต้องได้อะไรมากๆก่อนต้องมีอะไรพร้อมก่อนนะถึงจะวางได้ถึงจะพอได้อันนั้นความสุขไปแฝงไว้กับวัตถุภายนอกหรือว่าความสุขไปรออยู่ที่อนาคต อนาคตก็หนีเขาอยู่เสมอนะอันนั้นถ้าคนประเภทนี้ความสุขนะหายากนะเพราะว่าความสุขมันอยู่ที่สิ่งของบรรจุภายนอกแล้วก็มันก็คิดว่าที่เรามีแล้วมันยังไม่สุขไม่พอเพราะว่ายังมีคนมากมัะมีคนที่มีมากกว่าเราอยู่เสมอไปนะแต่ถ้าใจรู้จักพอนาะก็จะพบว่าเอที่จริงตัวเองก็มีความมีสิ่งของภายนอกก็เยอะแล้วหรือว่าก็พอแล้วนะ ก็จะสามารถหยุดได้วางได้แต่การหยุดหรือว่าการวางที่นี้อา จ, จไม่ใช่เพียงแค่ว่าเลิกทํางานเนาะแต่หมายถึงว่าวางใจเออเราก็พอมีพอใช้แล้วก็สามารถมีความสุขได้ไม่ต้องดิ้นดนมากแต่ก็อาจจะยังทํางานอยู่ก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะนะคนประเภทเนี้ยคือความสุขอยู่ที่การต้องได้อะไรใหม่มานะเป็นความสุขที่ต้องโหยหาอยู่เสมอแต่คนประเภทนึงก็ อาจจะพอใจเพียงแค่ความสุขที่เกิดจากการมีปัจจัยที่มันพร้อมนะเช่นชายไปบงตรงนั้นเนาะวันนี้เขาจะมีความสุขเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลาวันนี้หาหามาได้เพราะว่าเงินที่หาปลาได้เอามาใช้จ่ายในครอบครัวพอได้หรือว่าเพราะครอบครัวเขามีความสุขอยู่ในวันนี้เขาก็สามารถที่จะนอนเล่นเดินเล่นหรือว่ายิ้มได้ แ ต, แต่เราจะแน่ใจไหมว่ามันจะมีวันเช่นนี้ตลอดไปในชีวิตของเรานะทุกวันเราจะสามารถออกไปหาปลาได้หรือเปล่าทุกวันเราสามารถนอนเล่นหรือว่าเล่นกับครอบครัวได้หรือเปล่าถ้าเกิดวันไหนมีพายุหรือถ้าเกิดวันไหนที่ภรรยาล้มป่วยหรือลูกเจ็บไข้เรายังสามารถที่จะยิ้มได้แรืว่ามีความสุขในชีวิตได้หรือเปล่า บางทีความสุขของคนอีกกลุ่มหนึ่งนะเขาสุขหรือว่าเขาสบายใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจัยภายนอกเขาเอือ้อนะปัจจัยภายนอกเขาเอือ้อตอนนี้เรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมากตอนนี้เรายังไม่แก่ตอนนี้เรายังไม่พัดภ่าสูญเสียเราก็เลยสามารถมีความสบายใจได้แต่ถ้าเรายังแค่คล้ายๆพอใจแค่ความสุขแค่นี้เนาะถ้าวันหนึ่ง เราเจ็บหนักวันหนึ่งเราป่วยนะหรือวันหนึ่งเราเจอความสูญเสียไปเราแน่ใจไหมว่าเราจะทำใจได้แต่ถ้าเรายังพอใจแค่ความสุขตอนนั้นเนาะก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่ประมาทอยู่ได้ยินหรือเปล่า น, น, นอปฏิบัติทำก่อนก็ได้นะแต่ถ้าผลเลอกตกก็ใหพูดถ้าไม่ตกก็ ค่อยว่ากันใหม่เนาะผิดเพราะว่าอาตมายังยังพูดไม่จบนะคือจะจะชี้เห็นว่ามันยังสามารถมีมีคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้นะไม่ใช่มีแค่สองสองกลุ่มนะคือเราก็ยังสามารถเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าสามารถมีความสุขในปัจจุบัน แล้วก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเป็นผู้ที่เตรียมพร้อมกับอนาคตก็ได้นะคือในปัจจุบันเราก็สามารถสามารถสัมผัสกับความสุขกับทุกขณะในการใช้ชีวิตก็ได้แต่เราก็ต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตก็คือเราก็ต้องสามารถเราต้องเรียกว่าเรียนรู้ในการฝึกจิตของเรานะเตรียมตัวในการปฏิบัติธรรมตัว น, นี้แหละเนาะ มันจะทําให้เราพอเวลาเราเจอความพัดพลาดสูญเสียหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดปัญหากับชีวิตแต่จิตใจมันก็ไม่สามารถเออก็เรียกว่าออกจากความทุกข์ตรงนั้นได้เนะอันนี้คือคนที่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งถ้าเราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเราก็สามารถมีความสุขในการใช้ชีวิตในปัจจุบันก็เตรียมใจนะให้เราไม่ทุกข์ กอนาคตก็ได้นะลองเราไปทบทวนดูอันนี้อจะมาอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันเราสามารถทําตรงนี้แล้วสิ่งที่เรากําลังทําตอนนี้ก็คือเราเป็นบุคคลกลุ่มที่สามตัว น, นี้แหละเนาะนะนะเราค่อนข้างพอใจกับความสุขในทางโลกพอสมควรแล้วเราก็เลยพยายามแสวงหาความสุขที่เป็นนมามธรรมให้มันมากขึ้นแล้วก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะ เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นนะหรือว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ในปัจจุบันอย่างผู้ที่ไม่ทุกข์อันนี้คือการเดินทางของเราเนะนาะนก็ให้ไปพิจารณาดูเนาะที่จริงก็อาจจะมีเรื่องที่อาจจะพูดมากกว่า น, นี้เนาะแต่ก็เสียงฝนก็ดังนักก็ฟอ่สมทวนเกเวลาไม่รู้ว่าฝนจะออกหรือเปล่านะถ้าจะพูดสัก อีกห้านาทีสิบนาทีน <c oughs> ะคือมันขอต่ออีกนิดนึงครับเพราะว่าจะได้เกิดให้เข้าใจนะมันอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การใช้ชีวิตภายนอกแต่มันรวมถึงการปฏิบัติธรรมหรือว่าการวางใจของเราด้วยถ้าจะเปรียบง่ายๆนะคนที่เรียกว่า อบางทีเวลาเราปฏิบัติธรรมเนาะบางทีเราก็กลัวว่าเราจะใช้ชีวิตแบบสุดตรงนะเช่นนั้นแต่าบางทีเราปฏิบัติธรรมเราอาจจะมีความอยากนะมีความอยากที่จะเข้าใจธรรมะความอยากที่จะรู้ธรรมะมากๆหรือบางคนก็พอไม่อยากก็เลยไม่ปฏิบัติเลยก็มีนะก็เลยไม่แสแบงหาอะไรเลยก็มีนะแต่ที่ทั ทำเช่นนั้นนะก็เป็นความสุดโตง่งอีกเช่นหนึ่งนะหรือว่าความพอใจในความสุขอย่างเดียวแล้วก็ติดกับความสุขนะก็เป็นเรียกว่าการมสุขาในการนิโยกเหมือนกันนะหรือว่าการที่ต้องบําเพ็ญตนให้ลําบากให้ทนกับความทุกข์หรือว่าอยากจะได้ผลการปฏิบัติมากมากอันนั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นอัตถะกิลมฐานนิโยกอย่างหนึ่งนะทําจิตให้มันทุกข์หรือว่า ติดกับความสุขนะเป็นความสุดโต่งประเภทหนึ่งแต่พระเจ้าท่านสอนให้เราไม่สุดโต่งนะก็คือให้เดินทางสายกลางแต่ทางสายกลางนี้เนาะถ้าเราเรียกว่าถ้าเราไม่รู้จักความสุดโต่งทั้งสองด้านเราก็จะเดินทางสายกลางไม่ได้หรอกนะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเราต้องรู้สภาวะจิตนะตอนไหนที่จิตมันติดความสุขนะหรือว่าตอนไหนที่จิตมันเผลอไปคิด ตอนไหนที่มันหลงไปจมกับอารมณ์ันนั้นนะเรียกว่าเราเรียกว่าปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์แล้วตอนไหนที่มันอยากจะรู้ให้มันชัดอยากจะรู้ให้มันมากอยากจะได้ผลของการปฏิบัติตอนนั้นจิตก็ติดเรียกว่าการบำเพ็ญตนให้ทุกทางใจแล้วนะเราก็ต้องรู้ทันเวลาเราปฏิบัติธรรมเนาะหรือว่าเราใช้ชีวิตก็แล้วแต่ถ้าเรา ส, สามารถสังเกตจิตของเราได้ว่าตอนนั้น จิตเราสุดตรงไปด้านไหนพอเรารู้ทันจิตของเราแล้วจิตมันจะกลับมาเป็นปกติจะเดินทางสายกลางนะจะเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความเป็นปกติของจิตแล้วก็เป็นการเรียนรู้สะสมปัญญาในขณนะนั้นไปด้วยนะจิตแบบเนะี้คือจิตที่เรียกว่าไม่สุดตรงเป็นจิตที่เดินทางสายกลางแต่จิตเช่นนี้ก็ไม่สามารถที่จะประคองได้อยู่เสมอนะถ้าเราคิดจะว่า จะประคองจิตให้มันกลางกาให้มันซื่อให้เป็นปกติอยู่เสมอนะก็เป็นการหลงไปประคองไงนะก็เป็นความความผิดอีกแบบหนึ่งเช่นกันนะบางคนนักปฏิบัติรำนะกลัวกลัวมันจะคิดกลัวมันจะฟุ้งซ่านกลัวมันจะวุ่นวายก็พยายามที่จะกำหนดให้มันมากเกินไปนะหรือบางทีก็ประคองจิตให้มันเฉยเฉยสบายสบายธรรมดา อันนั้นก็เป็นความประบคอที่จริงเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะสุดโต่งไปด้านใดเนาะแต่เราฝึกเพียงแค่รู้ทันเวลามันสุดโต่งไปนะรู้ทันเวลาจิตมันไหนไปคิดรู้ทันเวลาจิตมันมีอารมณ์เกิดขึ้นหรือรู้ทันว่ามันเผลอไปเพ่งไปจ้องนะไปอยากเนี้ยคือเราแค่รู้ทันรู้ทันความสุดโต่งนะหรือว่าการดลงไปของจิตเราก็จะสามารถเรียกว่า กลับมามีสติได้นะกลับมาเดินทางสายกลางได้อันนี้คือการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเช่นนี้นะให้เราวางจิตนะไม่ใช่วางจิตเพื่อให้มันกลางอยู่เสมอนะแต่เราเพียงแค่รู้ทันว่าจิตมันผิดปกติไปนะไปสุดโต่งด้านใดเช่นสุดโต่งในการติดกับความสุขความสบายนะหรือว่าไหลไปคิดหรือว่าไหลไปเสพกับอารมณ์ต่าง เรารู้ทนะันนะรู้ทันตอนนั้นะจิตมันเป็นปกติแล้วมันจะกลับมาเรียกว่าเดินทางสายกลางแล้วหรือบางทีจิตมันไปเพ่งไปจ้องไปเคร่งเครียดนะพอเรารู้ทันนล้วนะมันก็จะกลับมาเป็นปกติได้นะนี่คือข้อสังเกตของเราเนาะหรือบางคนอาจจะถนัดสังเกตกายก็ได้นะอนะสังเกตกายบางขณะเ อ, อกายมัน มันอึดอัดมันแน่นหายใจไม่สะดวกนะคิ้วขมวดนะหน้าเครียดนะเราก็สังเกตเอ้ยทำไมมันไม่ผ่อนคลายหรือว่าเดินจงกรมเอ้ยทำไมมันเกร็งเกรงมันเพ่งเพงไปเราสังเกตกายว่ามันไม่เป็นปกติมันไม่สบายมันก็จะทำให้เราคอยผ่อนคลายกายให้มันสบายได้สังเกตดูหน้าเราเอ้ยมันเครียดเกินไปเนาะสังเกตมันทาไมอึดอัดแน่นหน้าอกแล้วนะ ทำไมมันมึนๆปวดหัวแล้วอ้อพอเราสังเกตรู้ทันกายว่ามันมันผิดปกติเนาะถ้ามันไม่ใช่เกิดจากโกครคภัยไข้เจ็บที่ต้องอาศัยยาบําบัด ร, รักษาอันนั้นถ้าเราถ้ามันเกิดจากการปฏิบัติเนี่ยแค่เรารู้ทันมันนะมันก็จะค่อยๆผ่อนคลายลงมาให้ให้สบายขึ้นอันนี้คือการที่เราฝึกสติเนาะสติหน้าที่ยังหนึ่งคือการสังเกตสังเกตอาการที่เกิดขึ้นกับกายแล้วกับใจนะ เราเป็นเพียงแค่ผู้สังเกตอาการที่มันเกิดขึ้นพอเราสังเกตแล้วเราจะเห็นเห็นเขานะแล้วจะไม่เข้าไปเป็นกับเขาจะเห็นเพียงแค่ว่าอาการที่จิตมันไปคิดนะแต่ไม่ใช่เราเป็นผู้คิดจะเห็นเพียงแค่อาการที่จิตมันไปเพ่งแต่ไม่ใช่เราเป็นผู้เพ่งจะเห็นเพียงแค่จิตอาการของกายที่มันมันเกร็งมันเครียดแต่ไม่ใช่เราเป็นผู้เครียดไม่ใช่เราเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนี่คือ มันจะเห็นอาการที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอาการของกายก็ดีหรือว่าอาการของจิตก็ดีนะเป็นส่วนหนึ่งแต่สติมีหน้าที่เพียงเพียงแค่ผู้เห็นผู้ดูผู้รู้อยู่ต่างหากอันนี้คือการเดินทางสายการรคือเดินเช่นนี้เนาะไม่ใช่เป็นการที่พยายามที่จะประคองจิตให้เป็นปกติอยู่เสมอหรือว่าไม่ใช่เป็นการประคองจิตให้มันเรียกว่าไม่ไหลไปกับอารมณ์ไม่จมแช่กับอารมณ์ เฉยๆเนอะเพราะบางทีบางทีนับปฏิบัติเราจะติดอาการประคองนะพอประคองแล้วมันก็ไม่ค่อยคิดหรือว่าไม่ค่อยมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ไม่รู้เจ็บเรียกว่าทําไม ท, ทําเช่นนี้ตั้งานานทําไมไม่เกิดปัญญาสักทีทําไมพอเวลาเจออารมณ์กระทบสัมผัสแล้วก็ยังบางทีก็ทุกข์หรือบางทีก็หงุนหงิดง่ายเพราะว่าอะไรบางทีเราติดการประคองนะหรือบางทีบางคนก็ พอไม่รู้ว่าตัวเองติดประคองก็จะประคองแบบนี้ดั่มไปนะประคองบ่อยๆก็คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วก็มีเพราะว่าเอเออไม่โกรธมาตั้งนานแล้วนะไม่คิดมาตั้งนานแล้วเฉยๆตั้งนานแล้วนะคิดว่าตัวเองดีแล้วก็มีนะแต่ถ้าเราสังเกตโดยดีเ อ, อเราเข้าใจความจริงของธรรมะจริงๆเหรอหรือว่าเพียงแค่จิตมันเรียกว่ามันไม่มันเฉยๆนะ แต่ถ้าเราเฉยแบบรู้ตัวอันนั้นก็โอเคนะแต่ถ้าเฉยแบบไม่รู้ตัวเนี่ยมันไปแช่กับอารมณอันนั้นอันนั้นก็ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่การเดินทางที่แท้จริงเนาะเพราะจริงถ้าจะเปรียบเทียบการปฏิบททัติธรรมบางทีมันเปรียบเทียบคล้ายๆกับการที่เราพายเรือทวนน้ําก็ได้นะเวลาเราพายเรือทวนน้ําเนี่ยอ่านะเราก็ต้องพายอยู่เสมอแต่ถ้าเราเมื่อไหรที่เราเลิกพายเรือมันก็ไหลไปตามน้นะําเนาะ ไอ้ที่เคยอ่าผ่านระยะทางมาพอสมควรพอเราไม่พายกระแสน้ําก็จะพัดนะให้เราถอยหลังกลับไปเรื่อยตกต่ำไปเรื่อยเหมือนกับเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วเราเลิกปฏิบัตินะ่นะะกีรติตันหาความคิดต่างๆก็เข้ามางอครอบงาํานำะอยู่เสมอหรือว่าทําให้เราตกต่ําลงไปแต่ถ้าบางคนอยากจะให้ถึงจุดหมายเร็วๆ เ, เนาะพยายามจําเอาจําเอาจําเอ า, เ, อาเนาะ มันก็เหนื่อยนะมันก็เหนื่อยพอเหนื่อยมากๆมันก็ท้อไม่ไหวแล้วไม่ถึงทํำไมไม่ถึงจุดหมายทันทีนะมันก็เลิกพายไปก็มีขณะที่พายแบบจ้ำๆมันก็เหนื่อยแล้วเครียดละนะพอเลิกพายก็กลับไปเช่นเดิมมันก็สุดตรงสองด้านแบบนี้นนะแต่จริงถ้าเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับถ้าเราฝึกสตินะหรือว่าเดินทางสายกลางแล้วก็พายเรือทวนน้ำไปเรื่อยๆค่อยๆพายนะอย่างสม่ําเสมอนะ ไม่พักแล้วก็ไม่เพียนไม่เร่งแล้วก็ไม่รีบแต่ก็ไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยตัวปล่อยใจพายไปเรื่อยพายไปเรื่อยเราการพายเลยคือการทําเหตุนะคือการทําความเพียนนะแต่ก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ใช่พายแล้วมันจะสม่สมําเสมอราบเรียบอยู่เสมอนะบางทีในในเรือในกระแสน้ําก็ดีนะบางทีมันก็เจอโขดหินบ้าง บางทีก็มีน้ำที่เชี่ยวบ้างบางทีก็มีสภาพน้ำที่แบบราบเรียบบ้างเหมือนกับอารมณ์ของเรานั่นแหละนะบางทีมันก็สงบดีบางทีก็มีความคิดฟุ้งซ่านบางทีก็มีความโกรธบางบางทีก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับจิตนะมันก็มีเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะให้เราเห็นนะให้เราเห็นนะแล้วก็ดูไปเรื่อยอ่อ ความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ทันความโลบเกิดขึ้นก็รู้ทันความหลงเกิดขึ้นก็รู้ทันนะแล้วก็ทวนไปเรื่อยเออมันก็แค่เห็นนะมือนก็เราเห็นเกาะเห็นแก่งหรือว่าทวนกระแสน้ำที่มันเชี่ยวบ้างหรือบางทีมันก็ราบเรียบไปบ้างบางทีปฏิบัติธรรมนะการเห็นสภาวะพวกนี้มันเป็นของดีนะไม่ใช่ว่าเราจะต้องปฏิบัติแล้วมันจะต้องราบเรียบเสมอนะไม่มีความทุกข์ตลอดไป แท้จริงมันมีความทุกข์มันมีอุดมเพื่ออะไรเพื่อให้เราผ่านมันไปนะเพื่อเราเห็นมันไปแล้วก็เออพายผ่านมันไปได้เนาะบางทีปฏิบัติธรรมมันไม่แน่เนาะในชีวิตของเรามันไม่แน่บางวันปฏิบัติดีบางวันปฏิบัติแล้วเอ้ยฟุ้งซ่านมากบางวันปฏิบัติแล้วมันง่วงนอนวันนี้ดีก็ใช่ว่าพรุ่งนี้จะดีเสมอดังนั้นเราต้องเป็นผู้ที่เรียกว่าน่ะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะ จะมาสรุปที่ว่าอย่างชาย้ยชัยหนุม่มที่เป็นชาวประมงเนาะวันนี้เขายังมีความสุขกับการใช้ชีวิตก็จริงแต่ต้องเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ประมาทด้วยต้องทำความเพียรด้วยพวกเราก็เช่นเดียวกันวันนี้เรามีความสุขหรือว่าเรายังมีความเป็นปกติของกายหรือว่ามีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอือ้อให้เราไม่ทุกข์มากแต่เราต้องเป็นผู้ที่เรียกว่าไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเพราะว่า ในวันพรุ่งนี้มันไม่แน่ในอนาคตมันไม่แน่เราต้องเจอกับความทุกข์นะดังนั้นเราต้องเรียกว่าสัมผัสกับความสุขในปัจจุบันแล้วก็ทําความเพียรเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไม่ทุกข์ในอนาคตด้วยอันเนี้ยถึงจะเป็นผู้ที่เรียกว่าใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าที่แท้จริงหรือว่าจะเป็นผู้ที่เรียกว่าใช้ชีวิตอย่างประเสริฐก็ได้เนาะก็ฝากพวกเราทุกคนไว้ก็อ่าพวกเรากราบพักกัน